พระอุปชาของท่านพระอานนุ์อยู่ในป่าท่านเที่ยวบิธบาตได้มากมายเอาข้าวสุกเปล่าไปตากแห้งเก็บไว้ที่อารามคราวที่ต้องการพัตทหารก็นำมาแช่น้ำแล้วฉันนานๆจึงจะเข้าไปบิธบาตในหมู่บ้านพิกสุททั้งหลายได้กล่าวกับท่านพระเวรัตฐศีสะดังนี้ว่าท่านทำไมนานๆท่านจึงเข้าไปบิธบาตในหมู่บ้านลำดับนั้นท่านพระเวรัตศีสะจึงแจ้งเรื่องนั้น ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านท่านฉันอาหารที่เก็บสะสมไวหรือท่านตอบว่าใช่ครับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนท่านพระเวรัตศีษะจึงฉันโภชนะที่เก็บสะสมไวเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนีท่านพระเวรัตศีษะโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ